เช้าก่อนฉันได้พูดถึงเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งที่ลำคาญเสียงกลนของสามีแลวภายหลังเนี่ยเมื่อสามีป่วยหนักใกล้จะตายเนี่ยเธอกลับรู้สึกว่าเสียงกลนของสามีเนี่ยมันมีความหมายมากเลยเพราะว่ามันเป็นสัญญาณว่าเขายังมีชีวิตยอยู่ แล้วก็เธอพยายามทําทุกอย่างเพื่อจะได้ยินเสียงกลนแต่ว่าในที่สุดผู้ชายคนนั้นก็ต้องตายแล้วเธอก็นึกถึงเสียงกลนนั้นเนี่ยก็อยากจะให้มันกลับมาอีกนแต่ว่ามันก็ไม่สามารถจะกลับมาได้แล้วเพราะว่าสามี ก, ก็ตายไปแล้วหรือว่าเรื่องของ ผู้ชายที่สนิทกับพ่อมากพ่อพาไปเที่ยวตอนเป็นเด็กกลับมาบ้านก็กิเท้าวกับพ่อแทบทุกมือ้อจนกระทั่งเมื่อ เ, อเมื่อเขาได้ทำงานแล้วก็มีตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบสูงขึ้นเขาจะรู้สึกลำคาญ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 ให้นึกลงนาไปก่อนนะว่าเออสักวันหนึ่งเขาต้องตายไอการที่คิดถึงความตายของคนที่เรารักเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยรู้สึกกับพฤติกรรมบางอย่างของเขาเนะี่ยเปลี่ยนไปแต่ก่อนที่เคยรู้สึกว่มันน่ า, ารําคาญน่าหงุดหงิดนะมันจะเปลี่ยนไปนะอาจจะไม่ถึงกับชื่นชมแต่ว่าก็อาจจะรู้สึกว่าทนกับมันได้มากขึ้น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 หรืออาจจะยิ้มรับนะเพราะว่ามันยังแสดงว่าคนที่เราลักนี่เขายังอยู่กับเราในการรู้ถึงความตายเนี่ยนะมันไม่ใช่เพียงแต่ทำให้เราสามารถจะยอมรับพฤติกรรมบางอย่างนะที่เราเคยรู้สึกไม่ถูก อ, อกถูกใจลำคาญหงุดหงิดมันยังสามารถทำให้เราเนี่ย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 ที่เกิดกับเราคนเราเนี่ยถ้าไม่ได้นึกถึงความตายของเราเองเนี่ยนะบางครั้งเนี่ยเจอเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยทั้งๆ ท, ที่เป็นเรื่องเล็กน้อยเราก็ตี อ, อกชกหัวนะเป็นบ้าเป็นหลังกับมันโทรศัพท์หายนะเพื่อนผิดนัดรถติดหรือว่างานมีอุปรสรรค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 อยว่าแต่โทรศัพท์หายหรือว่าถูกโกงเงินเลยนะไอส้สิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เรามีสิ่งททั้งหลายทั้งปวงที่เรารู้จักเนี่ยในชีวิตนี้จะไม่เหลือต่อไปเราจะไม่ได้สูญเสียเงินเป็นแสนหรือว่สูญเสียเงินเป็นล้านเท่านั้นนะมีร้อยล้านก็หมดทั้งร้อยล้านมีบ้านก็หมด มีที่ดินก็ไม่เหลือนะมีคนรักกี่คนก็หมดนะเพราะว่าความตายมันจะพรา ก, รากเราจากสิ่งเหล่านั้นไปหมดเลยนะพอนึกอย่างนี้เนี่ยนะมันจะทำให้ปัญหาต่างๆที่มันเคยทำให้เรากุ้มอกุ้มใจเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องเล็กน้อยไปเลยและช่วยให้เราปล่อยวางได้ง่ายขึ้นนะสตีฟจอมเนี่ยนะผู้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 ทั้งๆ ท, ที่มันเทียบไม่ได้เลยกับความตายที่จะเกิดกับเรามีเพื่อนคนหนึ่งเขาเล่าว่าเขาเทะเลาะกับเพื่อนเพื่อโรงงานขัดแย้งกันโกรธมากนะโมโหมากนะรู้สึกผิดหวังแต่พ่าเขานึกถึงความตายของเขาหรือว่าเจริญมรณาสติเนี่ยบอกกัว่าเขาหลุดเลยนะไอความขุ่นเคืองนั้นเนี่ย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 นึกถึงความตายของเราหรือจเจริญมรณาสติมรณาสตินี่มันเป็นหนึ่งในอนุสติสิบนะที่เป็นกรรมฐานอย่างหนึ่งของพุทธนะพุทธศาสนานี่ก็มีคนมีพระธรรมกถาอาจารย์จำแนกกรรมฐานของพุทธเนะี่ยว่ามีสี่สิบวิธีแล้วก็สิบวิธีเนี่ยในสี่สิบนี่นก็คืออนุสติสนะิบ ก็มีพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติอย่างที่เราสวดกันเนี่ยนะมันก็เป็นภาวนาแบบหนึ่งนะเราภาวนาเราเจริญอนุสติสามคือพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติและยังมีอนุสติอื่นอีกนะเช่นศีลานุสติการระลึกถึงความดีของเราจากานุสติการระลึกถึงความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่การให้ทานของเราการระลึกถึงเทวดาที่เรา นับถือบางคนก็ต้องมีเทวดาเป็นคืขยิดเหนียวก็เรียกว่าเทวดามนุสติแต่ว่าที่สําคัญอีกอันหนึ่งคือมรณสตินหรือมรณามนุสติอนาปาณสติก็ใช่นะกายคตาสติก็ใช่นะอันนี้ก็เป็นส่วนของสติปัฐานแต่ว่ามรณสตินี่ก็เป็นนสติที่สําคัญนะมันทําให้เราได้สตินะถ้าเราลึกถึงความตายเนี่ยเวลา ถูกคนต่อว่าดา่าทอเวลาทำงานประสบอุปสรรคความล้มเหลวนะเวลาสูญเสียคนรักพัดพากจากของที่ชอบเนี่ยเราจะจมเราจะหลงอยู่ในอารมณ์ความโกรธความเศร้าความเสียใจนะตอนนั้นมันลืมตัวแล้วแต่พอเราลึกถึงความตายนี่นะมันจะหลุดนะ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 เราจะไม่ทุกข์ทรมานเหรเราจะไม่เราจะตายอย่างสงบได้ยังไงนะถ้าหากว่าให้เรื่องแค่นี้นี่ยังไม่ผ่านนะพวกเราชาวพุทธนี่ก็รู้อยู่แล้วนะว่าคนเรากำลยจะตายนี่นะการตายอย่างสงบเป็นเรื่องสําคัญตายเนี่ยทุกคนก็ต้องตายแต่จะตายอย่างไรเนี่ยอันนี้สําคัญกว่า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 บางคนก็โวยวายอาลวาดตายไปแล้วก็ไปไม่ดีเลือกไปทุ ก, กติเพราะว่าจิตมันเศร้าหมองเป็นอกุศลนะคนที่เรียนรู้เรื่องความตายดีก็จะพบว่าเนี่ยตอนจะตายเนี่ยการที่จิตสงบเป็นเรื่องสำคัญแต่จิตจะสงบได้เนี่ยมันก็ต้องผ่านการผ่านการฝึกฝนแล้วจะฝึกฝนจากอะไรก็ฝึกฝนจากชีวิตประจาวัน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 ถึงตายเนี่ยก็คือเพราะว่ามันมันสุดๆแล้วนะไอ้ถ้าถ้าเคยผ่านมาได้นี่ก็แสดงว่าทนไหวไอ้ทนไม่ไหวเพราะาไม่เคยเจอเเพราะว่เนี่ยเมื่อเราเราลึกได้เช่นนี้เนี่ยนะเราก็จะเห็นความสำคัญนะของการที่จะทำใจให้ผ่านเหตุการณ์ต่างๆนะอันนี้จำเป็นมากสำหรับปฏิบัติธรรม ถ้าปฏิบัติธรรมก็รู้นะว่าการตายสงบเป็นเรื่องดีแต่ว่าพอเจอเรื่องไม่ถูกใจนิดๆ ห, หน่อยๆนี่ก็ฉุนเฉียวหงุดหงิดโศกเศร้าคล่ำครวนเงินหายเขา้าใจเงินไม่ครบก็กุม อ, อกกุมใจคิดแล้วคิดอีกแล้วแบบนี้นี่มันจะตายดีได้ไงนะเพราะว่าความตายเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่กว่านี้เยอะ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 ที่เคยทำให้เป็นทุกข์ที่จริงแล้วเนี่ยศาสราชาพูดแล้วเนี่ยสิ่งอีกสิ่งหนึ่งนะที่ช่วยทำให้เราปล่อยวางได้เนี่ยนอกจากมรณะสะติแล้วเนี่ยมันก็คือสิ่งที่ชาพูดเนี่ยถือว่าเป็นอุดมกติสูงสุดก็คือนิพพานคนเราเนี่ยถ้าเอานิพพานเป็นจุดหมายในชีวิตนะแล้วก็ไม่ใช่แค่เพียงแค่อยากได้เพราะเห็นว่ามันดี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 เราเห็นความสำคัญวนะ่าโอที่เราทุกเนี่ยเพราะเรายังมีความยึดมั่นในตัวกูของกูไอ้ที่ทุกเนี่ยเพราะตัวกูของกูทั้งนั้นแหละนะทรัพย์ของกูลูกของกูร่างกายของกูหน้าตาศับสีของกูนะบางทีก็วัดของกูศาสนาของกูนะถ้ามีของกูนะหนาแน่นอย่างนี้เนี่ยนะ มันจะไปถึงนิพพานได้อย่างไรเนี่ยจะไปถึงนิพพานได้เราก็ต้องเราก็เราก็รู้นะมันต้องสลัดต้องวางนะไอความยึดมั่นในตัวกูขงกูต้องลดต้องละจนกระทั่งนะเลิกนะกิเลสตัณหาอุปาทานอย่างอย่างที่เราสวดเมื่อสักครู่เนะี่ยทำทำวัดอ่ะสวดน้ําตอนเย็นเราพลันได้ซึ่งการตัดตัวตัณหาอุปาทานเสี่ยงช่วยในดวงใจ มาลายเส้นจัดสันดานกว่าจะถึงนิพพานนะหรือว่าที่บอกว่าเนี่ยขอให้บรรลุถึงนิพพานพันเนี่ยนะถ้าเราไม่เพียงแต่พูดไปนะไปลอยๆเนี่ยแต่เราจริงจังกับมันเนี่ยนะเราจะเห็นความสำคัญของการที่ต้องนะฝึกฝนจิตใจนะคนสมัยก่อนเนี่ยนะเขาเห็นนิพพานเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะฉะนั้นก็ต้องทุ่ม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 อย่างพระเบสันดอนเนี่ยนะ่ะท่านบอกว่าเนี่ยท่านมุ่งพระนิพพานนะพุ่งมุ่งโพธิญาณเนี่ยก็พร้อมที่สละดวงตาพร้อมที่จะสละอวัยวะนะพร้อมที่สละชีวิตด้วยแต่สละท่านเนี่ยสละอวัยวะสละชีวิตยังไม่ยากเท่าไหร่นะไอ้ที่ยากก็คือสละลูกเมียการหาชาลีนางมัตสีเนี่ยแต่ท่านก็ยอมนะเพราะมุ่งโพธิญาณอันนี้ก็เป็นเป็นเหมือนกับเป็น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 เผาตัวเองตายสละชีวิตเป็นทานเพราะเชื่อว่านั่นหละคือปรมัตถบารมีเป็นการบำเพ็ญทานบารมีขั้นปรมัติเลยไปเชื่อว่าเนี่ยพระพธิสัตว์บรรลุพระรพนิพพานได้ก็เพราะว่าท่านสละชีวิตในหลายในหลายพบหลายชาติบางทีก็สละชีวิตให้กับเสือแม่ลูกอ่อนที่มันหิวมันกำลยจะกินลูกของมันพระพธิสัตว์เป็นฤาษีผ่านมาเห็น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 จนเท่าละการที่สี่ต้องประกาศห้ามนะห้ามเผาตัวเองนะเพราะว่ามันเป็นการอ่การบําเพ็ญหรือการปฏิบัติธรรมที่ผิดนะแต่อีกนัอนก็เป็นเครื่องชี้วัเนเหคนสมัยก่อนนี่เขาทุ่มเท ม, มากเพียงเพื่อพนิพัทธนี้ก็พร้อมจะตายได้เอาชีวิตเขาแลกนะครูบาอาจารย์ท่านก็เอาชีวิตเขาแลหมอนกันนะเพื่อพนิพัทธ์ยอมนะ เข้าป่าทุดงนะเพื่อจะฝึกฝนเขี่ยวกรรมตนเองนะยอมพาตัวเองเข้าไปเจออันตรายเสี่ยงถึงชีวิตเพื่ออะไรก็เพื่อพันิพาณ น, นีถ้าเกิดเราเนี่ยนะมุ่งเอาพันธิพาณเนี่ยแล้วเกิดว่ามากุ้ม อ, อกกุ้มใจกับเรื่องที่ไม่ใช่ถึงขั้นคุกคามเป็นภัยถึงชีวิตนะกุ้ม อ, อกกุ้มใจเพราะเพื่อนเขา ไม่คุยกับเราคุณเคืองเพราะเขานินทาเรานะหรือว่าเขาต่อว่าเราบางทีโดนครูบาอาจารย์น ะ, ะต่อว่าก็หัวเสียกุ้มอกกุ้มใจเงินทายของหายก็เสียใจนะแล้วแค่อย่างเนี้ยมันจะไปนิพพานได้ยังไงแต่ถ้าคนที่เขาจริงจังกับนิพพานนะพอเขาเจอเหตุการณ์แบบนี้นะ แล้วก็ระลึกได้ถึงจุดหมายชีวิตเนี่ยคือนิพพานเนี่ยมันจะทําให้ปล่อยวางได้ทําให้ได้คิดว่าโอ้ยแค่นี้เนี่ยเราต้องแค่นี้ยังยังผ่านไม่ได้แล้วจะผ่านพยา ม, มารที่ขัดขวางพระนิพพานได้อย่างไรการเอาพระนิพพานนี่เป็นจุดหมายชีวิตนี่มันมันมีประโยชน์นะมันช่วยทําให้ปัญหาต่างๆที่เราเจอเนี่ย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 ถ้ามุ่งอ น, นิพานเป็นเป้าหมายชีิเนี่มยมันทำให้เราเนี่ยมองความเจ็บความป่วยเนี่ยอีกแบบหนึ่งคนหนึ่งเขามองว่าเป็นความซวยนะแต่เรามองว่าเนี่ยเขากับเรามาสอนทำให้เรากลางแสดงพระไตรลักษณ์ให้เราเห็นไอ้ความคิดว่าอยากจะหายอยากจะหายเนี่ยนะมันจะเปลี่ยนไปนะอย่างที่หลวงปู่ขาวเนี่ยอนารายโยเนี่ยท่านบอกว่าเนี่ยไอ้ความอยากหายจากทุกขเวทนาเนี่ยนะ ถ้าอยากหายเนี่ยมันมีแต่จะเพิ่มความทุกข์ให้มากขึ้นเพราะความอยากหาไม่ก็คือตัวสมุทัยนั่นเองสิ่งที่คนทำคืออยากเห็นนีไม่ใช่อยากหายอยากเห็นธรรมะอยากเห็นความจริงจากทุกขเวทนาของกายและใจแล้วคนที่มุ่งอนิพานเป็นเป้าหมายชีวิตเนี่ยเขาจะเห็นความสําคัญการที่จะเข้าใจพระไตรลักษณ์และเมื่อเจ็บป่วยเนี่ยก็จะถือเป็นโอกาสในการที่จะได้เห็นธรรมะนะจาก ความเจ็บป่วยนั้นไอ้ของหายเงินหายถูกโกงก็เหมือนกันนะเขากําลังแทนที่จะไเป็นความสวยเป็นครอกก็เราก็จะมองว่าเนี่ยมันคือสิ่งที่มาชี้มาย้ําให้เห็นนะว่าไม่มีอะไรที่เป็นของเราเลยนะทุกอย่างมาแล้วก็ไปเราจะเห็นนะเห็นสิ่งต่างๆที่มันเคยเป็นความพัดภาคสูญเสียนะว่ามาเป็นโอกาสในการ อ่าเห็นธรรมะอย่างตอนที่เกิดน้ําท่วมปีห้าสี่เนี่ยนะหลายคนคงจําได้นะั้สิ้นเนื้อประดาตัวกันอ่าเป็นเรียกว่าหลายสายครอบครัวผู้คนบางจํานวนมากมายก็ก้มหัวก้มใจทรัพย์สมบัติถูกน้ําพัดไปหรือถูกน้ําท่วมทําลายบางคนก็ถึงกับบ้าบางคนก็ถึงกับฆ่าตัวตายแต่ก็มีบางคนที่ไม่ทุกข์นะ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 ชี้งเรานี้ก็มุ่งเพื่อการปล่อยวางและเมื่อมีจุดหมายชีวิตแบบนี้เนี่ยก็จะมองเห็นสิ่งต่างๆเหตุร้ายต่างๆว่าเป็นแบบฝึกหัดทีนะ่จะมาทำให้เราได้ปล่อยวางได้มากขึ้นหรือเป็นสิ่งที่มาสอนใจเราให้เห็นถึงสัจธรรมเพราะนั้นเนี่ยนะ เ, เมื่อเราเมื่อเราเมื่อเราได้มาเรียนรู้นะเรื่องศาสนานะได้เข้าใจเรื่องนิพพาน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 เครืองแค้นก็เอามาทักท้วงตัวเองว่าเนี่ยแค่นี้ยังยังเป็นบ้าเป็นหลังยังกู้หมวกกูมใจแล้วจะเข้าถึงพระนิพพาน ห, หรือจะเข้าใกล้พระนิพพานได้อย่างไรฉะนั้นถ้าดูดีๆนะสองอย่างเนี่ยนะความตายของเราก็ดีนะพระนิพพานก็ดีเนี่ยเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากนะถ้าเราใชใ้เป็นเนี่ยในการที่จะช่วยทําให้เราปล่อยวางความตายที่เป็นสิ่งที่เลวร้ายที่สุดที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตของ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 อนนั้นก็ชวนให้เราปล่อยวางได้แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยธรรมะมันมีตัวช่วยหลายอย่างที่ทําให้เราปล่อยวางได้เ <Yeah. S 1> การระลึกถึงนิพพานก็ดีการระลึกถึงความตายของเราก็ดีเนี่ยก็เป็นตัวช่วยอีกอยอีกสองอย่างหนะ้าที่ช่วยให้ปล่อยวางได้ง่ายขึ้นก็วันนี้พรพุทธนี้